บทภาชณีติกาภาจิตตี997อุปสามบัญภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสามบัญไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายให้ผู้อ <ương> ื่นช่วยระงับอธิกรณ์ต้องอบัติภาจิตตีอุปสามบัญภิกษุณีไม่แน่ใจไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับอธิกรณ์ต้องอบัติภาจิตตีอุปสัมบัญภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบัญ ไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับอธิกรณ์ต้องอบัตายจิตตีทุกกฎภิกษุณีไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายเพื่อการระงับอธิกรณ์ของอนุปัสมบันต้องอบัติทุกกฎอนุปัสมบันิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตตทุกกฎอนุปัสัมบันิภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎอนุปัสมบันิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัสัมบันิ ต้องระบาดทุกคน